ตื่นใจเมื่อได้เห็นหัวใจเต้นเพราะได้เห็นดวงนาเฝ้าแต่มองมีคล้าย้ายตาชื่น น, ช น, น, นนักหนาชักภาสุขุรือไทยฉันิต้องมองไปนักหนาเห็นเธอเต็มตาแล้วก็าพาเรลินได้เปรียบดังยาา คาดวงใจทุบมารุมใหายสดใสชื่นทีวันมองขอมองให้ชื่นใจเดียวเธอจะจากไปเหมือนใจจะขาดลันต้องโศกสังเพรําพันเห็นเพียงหน้ากันไม่พอฉันสุขใจ เาฉันคงจะเศร้าทุกจะเ้าสวงไม่ อ, อกจะตรมทุก ท, ทก ơi, มสวงในวันเอ่ยเมื่อไหร่จะได้เจอกันวนัมจากปายใจขอหายฉันแสนเสียนายคิดไม่ไหวใจสัน่นอยากจะเจอเห็นเธอทุกๆวัน เธอครับฉานเียงไม่ทางถ้าผู้จ้าแม่ตื่นไม่ได้เจอวันก็ให้ฉานพบในพันดีกว่าจะได้พรำน้ำคำน้ำพลาฟันคงเปลือนกว่าอาาทุกขด้วยจัน เหนันไม่ชื่นเฉยนี่จะโอ้เอ๋ยไม่เคยสัมผัสกันแต่ในฝันสองเรานั้นเนื้อตัวหาตูกันเสพสวรรค์ยังยืนขอให้เจอเธอในฝันเพราะว่าที่นั้นฝันรวมกันคงชืนอยากจะฝันเห็นกันทุกวันคืน ฟันดีกว่าตื่สดชื่นสุขใจ